بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا ع ل ى الظالمين وأصلي وأسلم على الشرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ทุกระยะระยะก็จะขอนิยาให้พวกเราได้สานึกถึงความดีในการเรียนรู้ลกุรอานโดยเฉพาะในมัสยิดและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับบรรดามลาอิกะดังที่ท่านนบีลลลอฮุอลัยฮัลลัมได้แจ้งไว้ใน a d i s บันทึกดุลมุสลิม وجتمع قوم في بيت من بيوت الله، من ميكم منكم دار روم توك النبأن هو الله عدن. ي ت ل و ن كتاب الله. دويت بوك خود جاءنا القرآن. ويتدارسونه فيما بينهم. أجلس س ع ر ي ا رو القرآن رواح بوك خ و د ك إلا تذهبني. น่าจะละอะไรมุสกีนะความสงบสุขจะมาอย่างพวกเขาว่าชีอ م ทูมุลร่ำม م แ ت ะความเมตาก็จะก็จะกลุ่มพวกเขาว่าฮั م ฟ ل ตทูม ك ลมาลาิกะและบรดามลก จมาล้มพวกเขาว่า ذكرهم الله, الله ال ف ال ى, ي م ي ف ي ي ى ن عنده แล้ว a l l سبحانه وتعالى จะเอ่ยเอ่ยชื่อพวกเขาณที่ Allah سبحانه وتعالى หมายถึงว่าโดยที่บรรดาเมลีกะผู้ทรงเกียรติที่อยู่กับ a l l a سبحانه وتعالى นั้น a l l จะเอ่ย ชื่อคนที่ร่วมเรียนรู้อัลกุรอานในบ้านของพระองค์นี่ต่อบันดาอะไรรับสี่สี่ข้อนะครับซึ่งสี่ข้อเนี่ยเราก็ต้องเอามาตรวจสอบในส่วนที่ตรวจสอบกับตัวเองได้เช่นความสงบเรามาเรียนรู้กุรอานเรามีความสงบไหม ความเมตตาเรารู้สึกถึงความเมตตาไหมเา้าเรามีความเมตตาธรรมมากขึ้นไหมเพรความเมตตานี่มาจากก็หลอแล้วตอนเราปลูกประธานความเมตตาก็หมายถึงว่าความเมตตานี่จะมาจะมาอยู่ในตัวเราเราก็ต้องรู้สึกถึงความเมตตาที่มันมากขึ้นในตัวเรา وحفتهم ا ل م ل م ا ئ าเล ل ا ก็มาเล م ์ก็มาลอมอันนี้ไม่มีไม่พิสูจน์ไม่ได้เห็นมีใครเห็นมหมพิสูจน์ไม่ได้ได้แต่ชื่อฉะนั้นอุลามาก็บอกว่าในการเรียนรู้อัลกุรอานที่บ้านอุลลานี่ยายามพยายามยู ตำแหน่งที่มาลัยก็จะไม่ล้อมหมายถึงว่าพี่น้องที่พิงอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าอะไรก็จะมาล้อมเนี่ยคงไม่มีที่ย้ล้อมนะเขาจะมามานั่งข้างหน้าท่านอาาะไรกาถ้าอยากจะให้มอะไรก็มาล้อมเราอัะนะก็พยายามเ อ, อเราจะได้อยู่ในวง คงมาเลย์กาอ่านิทานนิทานตัวบทอ่านิตามตัวบทและนบีคงไม่ได้พูดอะไรที่มันเหนือวิสัยที่จะไม่ให้เราเข้าใจเพราะไม่องั้นอัลกุอายะต่างๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราตามตัวบทเหมือนวันศุกร์นบีบอกว่ามาเลกาจะมาเลกาจะนั่งอยู่ประตูมัสยิดบันทึกคนที่เข้า ถ้าขเขาตีมที่อิหม่ามขึ้นบิมบัตแล้วนี่ยมาลายกาก็จะพับสมุดบันทึกชื่อแล้วก็นั่งฟังมาลายกานั่งฟังกุฎบ้านนะแล้วคนที่เข้าทีหลังละ่ะไม่มีชื่อไม่มีชื่อนี่หมายถึงว่ามไม่มีผละบุญถึงเขาเอาเขาได้พ้นได้ละหมาดได้มาร่วมแล้วนี่จะผละบุญเนี่มั น, ม, นมันไม่ได้แล้ว เห็นเราก็ไม่เห็นมาอะไรกันที่นั่งบนดึงนะอย่าว่าไม่เห็นบางคนเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในบริบทของเขาเลยเพราะบางมสัสยิดเนี่ยก็รู้ว่าอิหม่ามขึ้นแล้วก็ยังนั่งกินกาแฟาอยู่ในหน้าสุเรารออะไรล่ะเราค่ออีกกอมา ก, ก่อนถึงจะเข้าแสดงว่าเราไม่ไดีเราไม่ไดีบรรจุความเชื่อในตัวบทต่างๆเนี่ย มากำกับวิถีชีวิตของเราอซึ่งมีขอ้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธาผู้ศรัทธานี่เขาเชื่อแล้วก็เอาค ว, วามเชื่อนี้มาบรรจุแต่ผู้ศรัทธาที่ประเภทที่เชื่อแต่ไม่เอามาบรรจุให้มันเป็นวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็จะขาดคุณสมบัติสําคัญของผู้ศรัทธาคุณสมบัติสําคัญนี้ก็คือประกอบ ฮอลอาย์ุราน้งวันูงอินนลีนามานุแะลผู้จะได้ละประกอบความดีฉะนั้นมีสองอย่างที่เราพิสูจน์ได้นะครับในการมานั่งวงเรียนรู้กุรานความสงบความเมตตาและสองอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้เอไก็หัฟฟตุมุลมาลกะว่าจะกระหูมุลลอฮฟีมาน้อยแตละเราะเอ่ยอันนี้เราก็ไม่เห็นไม่ได้ยิน แต่เช่ซึ่งสองอย่างเนี่ยคุณคุณสมบัติสองอย่างที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรือมองเห็นเวลาสัมผัสไม่ได้เนี่ยย่อมสําคัญกว่าสองอย่างที่เราอาจสัมผัสได้อาจด้วยนะก็คือเรื่องความเมตตาเรื่องความสงบแล้คิดว่าสองอย่างนี่มันเกี่ยวข้องกันหมายถึงว่ า, วาสองอย่างที่พิสูจน์ได้ ที่พิสูจน์ได้มันเกี่ยวข้องกับสองอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเรามีความสงบมากขึ้นอันนั้นเป็นตัวพิสูจน์ว่ามาเลกาหมอนรอมุงเพราะอะไรเพราะมาเลกาเนี่ยมีคุณลักษณะด้านความสงบ มันเลิกงานเรียบร้อยสกีน่ะบางฮะดีษบางบทนี่วันทีกริบุคอรีมุงนะ صحاب าท่านในึดียร์อ่านอัลกุรอานเดร์อ่านกุรอานนี่ก็มีเมฆลอยมาอยู่เหนือศีรษะเขาถามแบบนี้หลายครั้งก็ไปถามท่านนบีสุลลัลละอัลลอฮฺซลนบีก็เลยบอกว่าติลกัสสกีน่ะ นี่คือสกีนะความสงบและใน hadis ขลลอฮได้ได้อธิบายความเห็นเหมือนกันว่าคำ ว, ว่าที่นายบอกว่านี่คือสกีนหะมายว่านี่คือมาเลาย์กาที่เสด็จลงมานั่นหมายรวมว่ามาเลาย์กาในภาษาห a d ี s ของท่านนาบีสกีนนะี่ก็หม า, ายถึงว่ามาเลกาฉะนั้นถ้ามีความสงบแสดงว่าแสดงว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณว่ามาเลาย์กามาลอม้อมว نزلت عليهم السكينة وغش يدهم الرحمة ملاكان رحمان جمل كلوم พวกลุมเป็นสัญญาณเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หนึ่งในพระนามของอัลลอฮฺที่สาคัญอัลลอฮฺอัลลอฮฺอิมสำคัญมากสองพระนามนี้สำคัญเพราะอะไร สำคัญเพราะเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุลฮานาอูตะลาและเป็นพระนามที่อัลลอฮฺซุลฮานาอูตะลาได้บอกว่าอัลลอฮ์ให้ความสาคัญมากกว่าคุณลักษณะอื่นเช่นความกรุูอัลลอฮ์บอกใน hadis กดซี ب, ن ن ب, ب, ى ي ب ق ا, أ م م ك ك ل ت م ة غضب ิพระเมตตาของฉันเนี่ยนำหน้าก่อนความ กรูดกริ้วคงคาแล้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ก็ให้อายะรกในคุรานอิสลามลาอีลอรห์มานีอัลรหีมอายะรักละแล้ก็ยัมิอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลมนแลก็อัรห์มานอัรีมตา สุรัตอัลฟาติฮะซึ่งฟาติฮะแปลว่าเปิดเปิดด้วยความเมตตาและมีอายะเฉพาะเลยนะมีสองพระนามเนี่ยอัลฮ์มันอะไรแสดงว่าอัลลอฮอยากจะให้พวกเราเนี่ยเปิดด้วยความเมตตาถ้าเป็นพระนามและคุณลักษณะที่สำคัญแสดงว่าถ้าอัลลอฮ์จะตอบแทนใครเนี่ยก็จะตอบแทนด้วย พระนามและคุณลักษณะที่สําคัญและที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วนะั่นคือคว่ามเมตตาถ้าเราได้รู้สึกอาจจะถ้าเราได้รู้สึกถึงการคลุ้มของความเมตตารู้สึกว่ามีความเมตตาเพิ่มขึ้นในตัวเราเนี่ยนั่นมารวมว่าอาจพวกเราเนี่ยอาจถูกเอย่ยชื่อ ด้วยอัลลอฮฺซุห์านาอูต์ะลาตานับหนาและ ذ ك ุลลาหฟิมันอนซึ่งสี่อย่างนี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของการที่จะมาเรียนรู้ศึกษาความหมายอัลกุรอานที่บ้านของ Allah และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยคือมีเครื่องไม้เครื่องมือในการ นำเสนอความรู้หลายช่องทางที่ง่ายกว่ามาสอนที่มสัสยิดมาสอนที่บ้านคนเร า, าอย่างนี้พวกเราได้ทราบกันว่าเทคโนโ ล, โลยีเดี๋ยวนี้ก็อำนวยอะไรเอยเงี้ยแต่ถ้าผมไลฟ์ไลฟ์ตัดซีอย่างเงี้ยก็พวกคุณก็ไม่ต้อง นั่งรถแท็กซี่นั่งรถมีต้องออกจากบ้านบางคนกย็ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเพรากคุณไม่ต้องลำบากไลฟ์นี่ก็หมายถึงว่าอยู่ที่ไหนนี่ก็ติ้งขึ้นขึ้นเลยราก็เออแต่เกรงว่ามันจะไม่ได้สี่ประการที่ผมได้ไปข้างตน้นแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้ มีผู้ใหญ่แล้วก็มีพี่น้องหลายคนพวกว่าเช็กก็ถ่ายทอดสุดนี่นี่กระทำที่มั่นสินนี่แหละนะแล้วก็ถ่ายทอดสุดนี่กถ้าถ่ายทอดสุดด้วยความอ่อนแอของพวกเราอะนะก็จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการเสียสละเดินทางมาเรียนรู้กุรนัน เราเห็นคนที่เดินทางไปต้อนรับดาราไปตอนรับนักเตะบอลที่มาถึงสนามบินกลับมาจากโอลิมปิกได้เหรียญทองเหรียญเหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญเหรียญไม้อะไรเงี้ยมาแล้วก็โอ้โหนี่มาต้อนรับเงินบางคนมาจากต่างจังหวัดน่ะ พอถามเขาว่าคุ้มก็เราต้องมาถามตัวเองว่ามาถ้าเรามาเรียนรู้กุรานและตามหลักความเชื่อหลักศรานะว่าสิ่งที่เราจะได้จากการมาเรียนรู้กุรานที่มสัสยิดนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้สี่อย่างเนี้ยคุ้มไหมตากแดดตากฝน บางคนนี่อยู่ใกล้สนามบินน่ะแต่ไม่ยอมนั่งเครื่องมาอย่างบางไหนอะอยู่ดอนเมืองอะ่ะนั่งเครื่องมาก็ได้ยอมต้องลำบากลำบนผมดุอิให้พวกเราทุกคนได้ให้การ เดินทางมาเรียนรู้ความหมายอุสลานการเสียสะละเวลาทรัพย์สมบัติเสียสะละทุกอย่างเงความเหน็ดเหนื่อยเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อจะได้มาเรียนรู้พระดำรัสของพระเจ้าของเราเนี่ยให้พวกเราทุกคนได้พบพรกับสิ่งที่มันสมปรารถนา ทุกประการแล้วก็ให้เราได้ได้นําความสิริมงคลแล้วก็ความบริการที่ได้มาจากการเรียนรู้อัลกุรอานเนี้ยมาเป็นบารมีประดับชีวิตของเราให้มีความสวยงามมากขึ้นให้คำสั่งสอนอัลกุรอานเนี้ย ได้ปรากฏในมารยาทของเราปรากฏในใบบาดาของเราได้ปรากฏในในชีวิตของเราทุกภาคส่วนท่อนที่สองของโซร์ยูนุสนะครับตอนแรกได้พูดถึงเรื่องจุดยืนของผู้ปฏิสัทธาในการปฏิเสธอัลกุรอาน เกิดเรื่องว่าอมอฮัมมัดเขาจะมีจุดเยือะจุดยืนปฏิสเสธเจ้าจุดยืนในการต่อต้านเจ้าแต่เจ้าอย่าเสียใจเพราะองค์พระผู้อภิบาลที่กำลังประทานอัลกุรอานลงมาอย่างเจ้านั้นพระ อ, องค์ท่านทรงมีบารมีมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ เราก็ได้พูดเรื่องนี้ในสามอาะอายะห์ที่สามถึงอายะห์ที่หกสี่อายะห์อายะห์แรกนี่เดี๋อธิบายไปแล้วนะครับอินนัลบักุมุลลอฮฺอัลลอฮฺที่ خلق ا ل س م ا ย والارض في ستة ايام الله ساعن ف ا ي لفندن ในหกวันทุมมาสวะละอุสุลละทรงมั่นสถิตเหนือบัลลังยูดบเบิลอร์อัลมร โดยที่พระองค์ท่านทรงบริหารกิจการทั้งหลายในชันฟาและแผ่นดินเนี่ยไม่เป็นเฟิม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือคนใดเว้นแต่อิลามิบอาตอิสเนต้องได้รับอนุมัติจากพระองค์อันนี้เราได้พูดถึงเรื่องความช่วยเหลือทั้งมวลทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้า ไม่มีใครจะช่วยเหลือเราได้นอกจากก็รอดตองเงนตุนก่อนแล้วผมยกตัวอย่างอย่างหมอเรางพหาหมอหมอช่วยด้วยไปหาเจ้าหน้าที่ช่วยช่วยด้วยการขอความช่วยเหลือหนึ่งสําหรับผู้ศรัทธานี่ไม่ได้ขอเนื้อหาของความช่วยเหลือที่อยู่ที่อัฐสภาเนวาร์ดาล้ไม่ใช่แล้วความช่วยเหลือที่แท้จริงเราต้องขอจากก็หลายอย่างเดียว แต่ที่เราขอความช่วยเหลือจากมนุษย์เนี่ยนั่นคือความช่วยเหลือที่มาจากอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานะอัตตานี่อันนี้นนนนผู้ศรัทธานี่ต้องต้องต้องระวังว่า น, นี้จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธาที่เชื่อในเดชานุภาพอนุภาพของอัลลอฮ์และผู้ศรัทธาที่เชื่อในเดชานุภาพของมนุษย์เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยทําให้หายป่วยได้ มนุษย์ทำให้เรามีลูกได้มนุษย์ทำให้เรารวยได้จนได้แต่คนที่เชื่อแบบนี้จะมีพระเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยแต่ความช่วยเหลือนี้มันไม่ดีมเฉพาะดุนยานี้ซึ่งส่วนมากในกุฎอานเทพูดถึงเรื่องชาฟานีก็หมายถึงว่าชาฟาในวันเกี่ยมะเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่จะไม่เถียงผู้ปฏิสัตยานี่ถ้า แต่ยานี่หมายรวมว่าไม่มีใครช่วยนอกจากอนุมัติจากอัลลอฮ์เนี่ยกไอ้พวกที่ไม่ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์นี่ก็จริงเราก็มอบความช่วยเหลือไม่นมีใครจะมาห้ามเราเลยเถียงแล้วกับเรื่องนี้เนี่ยว่าไม่มีเวลาที่จะไปเถียงกับกับคนพวกคือคนที่เข้าใจศรัทธาอยู่แล้วอะนะมันเถียงยากท่านนบีบรหีมพ่อเอกริย์นี่บอกว่าพระเจ้า ทำอะไรอ่ะของเจ้านี่ทําอะไรก็เรารับบียนแล้วที่ยุฮิวอมีดพระเจ้าของฉันเนี่ยให้เป็นให้ตายก็แล้นุฮิวอมีดกระสันนี่ก็บอกว่าฉันก็ให้เป็นให้ตายได้นี่ไงเอาคนดีถูกตัดสินบาหันชีวิตฉันก็พระราชทานอภัยโทษเนี่ให้เป็นแล้วให้เป็นแล้วคนดีอิสระไม่ต้อง จำคุกไม่ต้องถูกรานชีวิตเนี่ยนะฉันสั่งให้บานชีวิตนิ่งกั้ฉันให้ตายติ้งต้องแบบนี้เถียงไ ม, ไม่ไม่เสด็จหรอกคือติงต้องครับเอาเรื่องจริงเนาบิบเบิลองพื่เราอัลลอฮ์นี่พระเจ้าของฉันเนี่ยทาให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกทําได้ไหมให้มันขึ้นจากทิศตะวันตก นะคืออะไรที่มันตีความแล้วเขาก็จะเล่นลิ้นนะนะกไม่ต้องไปเสียเวลาเถียงนี่ก็เหมือนกันไม่มีใครจะช่วยเลยนอกจากอัลลอฮฺจะอนุมัติผู้ศรัทธาเชื่อนะครับว่าที่หมอช่วยได้หรือที่เราช่วยใครได้เนี่ยก็อลออนุมัติเหมือนกันอแต่แต่สำหรับคนนี่เขาไม่เห็นนะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ยอมรับในเรื่องนี้แหละแล้วจะปฏิเสธมาเถียงเนะอาเฮยเนี่ยฉันก็ช่วยได้ไม่เห็นใครจะมาห้ามฉันได้ก็ไม่ต้องเถียงต่อ อายะนี้หมารวมว่าชฝาในวันเกียร์มาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่มีใครเถียงดิฉะนั้ น, นอายะแบบนี้ส่วนมา ก, มากอุลามะก็จะดีความถึงชฝาในวันเกียร์มาซึ่งจะมีชฝามากมายที่อัลลอฮฺจะอนุญาตให้ ม, มักลุกหมายถึงว่าสิ่งที่ถูกสร้างช่วยเหลือมักลุกสิ่งที่ถูกสร้างด้วยกัน คือถ้าเป็นความช่วยเหลือที่มาจากอัลลอ์นี่จะไม่ได้กว่าชฝานะชฟานี่ในภาษาอาหรับนี่ก็หมายถึงว่าต้องมีคนช่วยคนจะได้บรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่งแต่ถ้าอัลลอ์นี่ไม่ได้กว่าชฝาละชฝาจะต้องเป็นมรรลุต้องเป็นสิ่งที่ถูกสร้างไม่ใช่พระเจ้าซึ่งชฝาที่สูงสุด ความช่วยเลืที่สูงสุดคือชฟาของบรรดา نبي และ رس ูนโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุลฮนี่จะบอกาที่สูงที่สุดเลิศที่สุดถักมาชฟาของบรรดามาเลยกะทั้งมวลโดยเฉพาะฮามาลตุลฮารุสบรรดามากะที่แบกบัลลังนี่ก็ชอถึงอายะในสุร เราก็เหนที่อัลลได้พูดถึงชฝาของมาเลกะที่แบกบัลหลังว่าเขาจะชฝาจะช่วยเหลือและจะขอดุอิศก็แสดงว่ามาจากอนุมัตจากอัลลอฮฺและหลังจากนั้นชฝาของบรรดาคนซอเลคนดีของอับรรดาอุลามาพ่อแม่คนซอเลคนที่มีคุณงามความดีเขาจะชฝาให้คนคนอื่นรวมถึงการชฝาของ เพื่อนให้แก่เพื่อนด้วยกันแต่แน่นอนคนที่จะช่วยเหลือคนที่จะช่วเนี่ยจะต้องเหนือกว่าคนที่จะรับความช่วยเหลืออันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั้งในดุนยาและกาคราในดุนยานี่คนอ่อนแอจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไงคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นต้องแข็งแรงกว่าวนเกียมากกับเช่นเดียวกันคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขาต้องมีคะแนนความดีมากกว่าเขาต้อง เลิศกว่าถึงจะมีสิทธิ์และก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากอัลลอ์ในวันกิยมาเนีจะต้องทูนก่อนทูนต่ออัลลอ์โออัลลอ์ได้โปรดอนุญาตให้ฉันชฝากับคนอื่นถ้าเลาไม่อนุญาตก็จบถ้าเราอนุญาตก็จะไมีช่วยเหลือสบานี้จะเกิดขึ้นเริ่มต้นวันเกียร์มาเลย هو ر أ ت ا ل ر م ر ف ع ي ه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كده الشفاعة الشفاعة ينجحي. شفاعت ينجحي. شفاعت ينجحي. أني قرأت ش ف ا ع ت ا ل ع ز م ش ف ا ع ي ใหญ شفاعات يing ให هذه كذا قصيدة شفاعات ي i ا ق ي ت يing ห ة ه ص ي ا ت ห ي د ا ห ة د ع ا ت ห ا ق ص ي د ا ع ت ي i ให ي ا ع ห ه ذ ا ق ص ي د ا ห ه ا ق ص ي ي ห ك ا ق ص ي ي ให ة ه ذ ي د ة ت ي i ا قصيدة ت ห ا ق ص ي ا ห ه ا ي ي ให ص ي د ا ع ا ه ع ي ه อนุญาตให้ท่านนบีเริ่มฟวาในเนวซีละเพราะไม่มีใครจะกล้าทําเรื่องนี้ได้บรรดามนุษย์ทั้งหลายในเดือนร้อนในวันเกีวมอะไปหานบีอาดัมจะได้ชวานบิดาสูงสุดของมนุษย์ทั้งหลายนบีอาดัมก็ปฏิเสธนบีอิบรอฮีมก็ปฏิเสธนบีมูซาก็ปฏิเสธนบีอีสาก็ปฏิเสธบรรดานบีละรมซูลทั้งหลายที่มนุษย์รู้จักกัน มัาคุ้นกันก็บริเสธกันหมดจนมาท่านนบีนบีก็จะบอกว่าอันละฮะอันละฮะฉันนี่แหละที่จะขอให้ที่จะทําได้ท่านนบีก็ไปกราบสุญูดแล้วก็ทูลต่ออัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์นี่สุญูดนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งอัลลอฮ์นี่จะสั่งท่านนบีอิรฟาระซักท่านจงเงยขึ้น วัดสัตตัต إن ่และเจ้าขอจะได้สิ่งที่เจ้าขอว่ชฟังตุช่วฟัและเจ้าขอช่วฟัขอความช่วยเหลือแล้วเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือนี่ชฟังอุษม่นบีจึงบอกว่านี่ตาแหน่งสูงไม่มีใครไม่มีใครทําได้นอกจากท่านและนบีนบีเองก็นะ ทั้งทที่นบีนบีเล่าว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงอะนะแต่นบีก็วันเกรงว่าจะไม่ได้ตําแหน่งนี้ก็เลยขอให้พวกเราเนี่ยเวลาดูอันนี้ขอาสลุลละฮ์เลียลวซีละจงขอให้ฉันได้ตําแหน่งวซีละ فمنسأل ليالوسيلة อันีนี่มันบุคคลอิสลามผู้ใดที่ขอตําแหน่งวซีละให้ข้า้าเนี่ฮัลละท์เลหชัฟฟ่าตีการที่ฉันจะช่วยเหลือเขานี่นะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ع ز ا ن ي ر ج ا ا ل ل ه م ر ب هذه الدعوة الدامة والصلات القائمة آتِ م ح م د ا ل و س ي ل ة و الله يبرد ب ر د ن وسيلة هيئة تنبيه أنا تثبيت.رخصة. การที่เราจะไปสมัครลุงนามให้อยู่ในรายชื่อผู้ที่จะรับชวาจากท่านนะพีมันใกล้เอื้อมไดนาซานก็เก่าชวาที่ท่านนะี่ชั้นชวาให้มนุษย์จะจะต้งหลายนี้ชวาอุ้มาแล้วก็มีชวาถัดมาเนี่ยก็คือชวาเฉพาะชวาเฉพาะ ผู้ศรัทธาที่ต้องติดนรกไม่ให้เข้านรกสวามผู้ศรัทธาที่เข้านรกแล้วเนี่ยให้ออกจากนรกให้ลดโทษสวาแต่ผู้ศรัทธาที่จะเลื่อนเวลาเข้าสวรรค์ให้รีบเข้าสวรรค์สวามิผู้ศรัทธาที่เข้าสวรรค์แล้วอยู่ตำแหน่งล่างของสวรรค์เ น, นี่ยให้ขึ้นอยู่ตำแหน่งสูง ชฝามากมายยังมีชฝาของบรรดาอบีและรอซูลแก่ประชาชาติของเขาด้วยรวมถึงชฝาของมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่นับีรอซูลทำไมที่าผู้สตรานด้วยกันก็มีเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้จะต้องรับอนุญาตอิลลามิบ่าดีอินีเวนแต่ต้องได้รับอนุมัติจากพระองค์ แต่ลิขุนลอฮูรับบคุณฝ่าบูดูอัฟ ا ت ตตะจักคารุนนั่นคืออลอพระเจ้าของพวกท่านพวกท่านจงเคารพพระดีฝาบูดูจงเคารพพระดีต่อพระองค์อัฟแลตตะจักพวกพวกท่านมิได้ใครครวนกันดอกฤรษีนี่ที่หมายไปแล้วต่อมา إليه مرجعكم ج م ي ع ا و ع د الله ح ق ا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إليه مرجعكم ج م ي ع ا ي ن ب ر عن توانن คือทางกลับของพวกท่านทั้งหลายอิละฮิยังรงมรจิอุกุมจะมีที่นี่ขแปละว่าทางกลับทางกลับนี้ก็คือทางงทางแต่ที่จริงเนี่ยมริอุกุม น, นี่เนี่ยวยก้นี่ก็เ ม, มัมีมีมัซามีนน ถ้าจะแปลาตามนี้ก็คือยังพระองค์เท่านั้นคือการกลับของพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่ทางกลับนะแต่ทำไมเขาแปลว่าทางกลับละ้ะเพราะมราร์ยานี่อีกสำนวนในึงในเวยียคอนนะตี่ความว่า ส, สถานสถานที่กลับทางกลับฮอเ็กมอสดอรมแกานีซึ่งถ้าจะแปลแบบนี้เนี่ย ด้วยเหตุผลดังวัยกรณ์เนี่ยมันก็แปลได้แต่มันไม่ถูกนะักเพราะอะไรอเพราะทางกลับไปยังอัลลอฮ์เนี่ย เ, เราไม่รู้ทางกลับนี่มันจะเป็นยังไงมีใครรู้ไหมจะนั่งอะไรกลับไปหารไม่มีใครรู้ะเอีย่มีใครรู้อะไรเลยแล้วอัลลอฮ์ไม่ต้องการสื่อถึงทางกลับนะเราต้องการสื่อให้พวกเจ้าเนี่ยได้ตระหนักว่า พวกเจ้านี่จะไม่อยู่ในโลกนี้เฉยๆจะไม่พัก น, นักอยู่ในโลกนี้ตลอดการพวกเจ้าจะต้องมีกลับก็คือต้องกลับอ่ะหมายถึงว่าการกลับเนี่ยมันมีแน่นอนอันนี้ที่ที่เราต้องต้องการสื่อกับพวกเราว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดนะมีมีต้องกลับยางพระองค์ท่านเท่านั้นคือการกลับการกลับตรงนี้นี่ก็หมายถึงว่าการกลับที่สุด การกลับสุดท้ายอ่ะไม่ช่กลับอะไรก็ได้นะพระดูคืนนี้ก็กลับบ้านใช่กลับป่ะกลับรนอนนี่ทุกคนก็กลับเดีวก็กลับปัตตานีใครที่อยู่ปัตตานีก็กลับปัตตานีใครอยู่อนุก็กลับอนุ แต่เชื่อไหมล่ะว่าการกลับที่เรากลับบ้านเนี่ยกับที่พำนักเนี่ยมันเป็นการกลับชั่วคราวทำไมกลับชั่วคราวเพราะเราไม่ได้กลับแล้วก็อยู่ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็จะไปอยู่ที่บ้านเนี่ยตลอดการนานที่สุดเนี่ยซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อห้องสร้างบ้านหรือเช่าบ้านนะก็เป็นบ้านนะบ้านที่พำนัก นานที่สุดเนี่ยจะอยู่ก็ก็ช่วยชีวิตของเราใช่ไหมอยู่สักหกสิบ ป, ปีจะสิบปีแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ถูกยกออกจากบ้านเนะี่ยไปฝังทำไม่ได้อยู่ที่บ้านตลอดนะก็ไปพักอยู่อีกบ้านหนึ่งใต้ดินแล้วก็ใต้ดินได้อยู่ตลอดไหมก็ไม่ไม่ตลอดเหมือนกันมันก็ช่วยข่าเหมือนกันจนกว่าจะกลับไปหาอัลลอฮ์พ่อไปยืนต่อหน้าพระพักของอลัลลอฮ์เนี่ย รู้แล้วรู้รอดที่พรานักทาวอนสวรรค์หรือนรกนั่นนะคือการกลับการกลับที่แท้จริงว่าดัลลอฮิฮักกไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นสัญญาของอัลลอ์นั่นเป็นจริงเสมอที่ว่าจะต้องกลับนี่นะการกลับของอัลลอ์ กับไปยังเราเท่านั้นนะนะคือสิ่งที่เราสัญญาว่าจะว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ไม่พูดเล่นฉะนั้นส่วนน่งของด ع ที่ท่านนบีจะดูอาแลวก็สรรเสริญต่อเราเนี่ยในช่วงละมาตีมุเลนนบีจะยินงัหลว่านหััน์กวนารุกวสาะถูกสวรรค์จริงมีจริงนรกมีจริงสะปโลก มีจริงที่เราต้องต้องกับมีจริงเหมือนที่เรายืนยันยืนยันกับอัลลอฮ์นี่ตอนละหมาดและดูอาแล้วก็สรรเสริญพระเจ้านี่ยืนยันตามสัญญาของพระองค์ว่าเราเชื่อเชื่อว่าที่พระองค์สัญญาจริงจาแนกตัวออกจากผู้ที่ศรัทธากับลิ้นอย่างเดียวแต่ใจนียงลังเลเชื่อว่ามีปาโลกมีสวรรค์มีนรก แต่ลึกๆก็ก็เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็จะรู้รอดูแล้วกันเขาก็ว่ากันนมีด้วยอะมีนาย บ, บียงบอกเลยมาเลยก็เพอมาถามใครอะรัสูลที่มายังเจ้าเนี่ยเป็นใครอะ ออได้ยินได้ินเขาว่ากันนะว่ากันนะว่าว่ามีระซูลชื่อคนนี้คนนี้แสดงว่าเขาไม่ได้เชื่อจริงเขาว่าตามหรือพูดตามตามชาวบ้านเขาเออประเภทนี้ในสังคมมีมั้มีว่าตามตามชาวบ้านเขาตัวเองไม่มีจุดยืนตัวเองอินโนยับดะอุนขัลก์ซุ่มมะยูไอดูฮ์แทดิบระอุมนั้น ทรงเริ่มการสร้างเริ่มการเริ่มการสร้างละเอียดมากนะเริ่มการสร้างนี่หมายถึงมันไม่มีใครสร้างมาก่อนแสดงว่าถ้าเริ่มแล้วเนี่ยจะต้องการสร้างของพระองค์เนี่ยจะต้องไม่มีรูปแบบมีมาก่อนรวมถึงวัตถุดิบที่พระองค์จะสร้าง ขึ้นมาหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์เนี่ยสร้างจะอะไรสร้างเนวดิบแล้ววัตถุดิบเนี่ยก็จะถูกสร้างเช่นเดียวกันเพราะอันนี้เป็นการริเริ่มอ่ะเริ่มก่มอนหน้านี้นี่ไม่มีมนุษย์การมนุษย์นี่มาจากดินก่อนหน้านี้ไม่มีดินอัลลอฮ์ก็ต้องสร้างดินใช่ไหมเริ่มอันนี้เนี่ยในกุรอานเรียกว่า خلق กิริยาในภาษาไทยที่เหมาะที่สุดนี่คือเีรมิต แต่ในคาแปลเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้กันเนรมิตรสร้างมาจากเปล่าไม่มีไม่มีส่วนประกอบวัตถุดิบเอามาใช้เนรมิตใกล้เคียงที่สุดนะในภาษาอื่นก็อาจจะมีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็มีภาษาไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยใกล้เคียงที่สุดแต่สร้างอย่างเดียวนะสร้าง ก่อสร้างสร้างนี่ไม่ได้หมายถึง ว, ว่าเริ่มเริ่มสร้างแต่ในภาษาอ раб นี่นะจะสร้างบ้านเขาจะไม่ใช้คําว่าขลักก็ไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้จะใช้คําว่าขลขลข ล, ขละกะนันนแต่ว่ามันจะกปลา่ามันต้องมาจากเปลา่า ซึ่งไม่มีใครสามารถทําได้จึงเอกฉันนะว่าคําว่าขลกเนี่ยใช้เป็นกริยาเฉพาะของาาพระเจ้าของลอร์อย่างเดียวไม่มีใครสามารถทําได้นอกจากลอร์ขลกและใครที่บังอาจใช้คํานี้เนี่ยถือว่าเสียมรารยาทอย่างรุนแรงในการยกย่องตัวเองในการยกย่องตัวเองท่านผ แล้วก็ขอลักตัวหาเศษชั้นได้ขลันันได้ในระมิดเรื่องนี้ถือว่าคือเขาอาจจะไม่ตกมุดตันนะเพราะอะไรเพราะมันมีเครื่องหมายบ่งชี้ว่าเขาตอนแหลด้วยเหตุผลของเ น, าานื้อหากริยาเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยว่าเขาล้ก็ต้องไม่มีวัตถุดิบสร้างมาจากเปลา่าคนก็รู้กันนะเวลาคนเนี่ยพูดว่าฉันสร้างมาบ้านนี้จากเปลา่าเขาก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้งไงคุณต้อง คุณแค่ประกอบอย่างเดียวซึ่งถ้าในด้านภาษาเนี่ยมันไม่เหมาะกับคำว่าขลกแต่อายานี้ในเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ยืนยันอีกขั้นตอนหนึ่งของการสร้างคือการสร้างในปรัชญาอาม่าบอกว่าอินนุยบดอุลขลกะแท้จริงพระองค์นั้นทรงเริ่มการสร้างเพราะไม่มีใคร ถามเรื่องนี้นอกจากก็รอ AH. เรื่องอื่นเนี่ยทุกคนก็จะอ้างยึดจนกระส่างบาทจนกระส่า ง, งนู่นส่างนี้แต่เริ่มสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงวัตถุดิบนี่ทั้งหมดเนี่ยใครทําได้เหมือน AH. <S <S อัลลอฮ์แกรอ่านนี่ก็ท้าใจถึงเรื่องทุกเรื่องแม้กระ่เรื่องเล็กที่อัลลอฮ์ท้ AH. ทาใจเช่นสร้างยุงอัลลอฮ์ท้าใจบอกว่าแม้กระทั่งปีกยุงนี่ก็พวกเจ้าเนี่ยก็ทําไม่ได้ สร้างสร้างปีกยุงนะ่งมันก็ทำไม่ได้เพราะในยุคนี้เนี่ยเทคโนโลยีนี่สามารถทำให้เราได้ได้ศึกษาปีกยุ่งนี่มันมีอะไรนี่แต่ทำไมอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องการเริ่มสร้างอ่ะทรงเริ่มการสร้างเพราะมันมีการสร้างอีกขั้นตอนหนึ่งคือวันปรโลกผู้ปฏิเสธยุคของทัช น, นีสุลลัลเลือดสลัมส่วนมากนี่นะไม่ปฏิเสธว่าอัลล์เป็นผู้สร้าง ว่าลีนสั่งต่อมัน خلق สิ่งสวรรค์และดินแดนอย่าก็ล้วนนั่นแหละพระเจ้าโอ้ محمد ท่านผู้สร้างชันฟ้าและแผ่นดินแลยอะกูลุ่นนั่ละเจาเขจะยืนยันยืนยันหน้าแลยอะกูลุ่นหน้ายืนยันเลยนะว่าผู้สร้างนี่ก็คืออัลลอฮฺแสดงว่ามุสลิมในสมัยท่านนบีเนี่ยเขาไม่มีปัญหาในการเอ่ปฏิเสธผู้สร้างเนี่ยเขาไม่ไม่ปฏิเสธผู้สร้างแต่เขาปฏิเสธอภิสิทธิ์ของผู้สร้าง ที่จะเป็นพระเจ้าที่ต้องเคารพสักการะเพียงผู้เดียวอัลลอฮ์ Allah สร้างก็สร้างไปดีทําไมต้องบูชาอัลลอฮ์สักการะอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวอันนี้เรื่องใหญ่อะใ้เมื่อยอมรับว่าโลกนี้สับสนสิ่งละทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วยังจะไปขอความช่วยเหลือไปสักการะไปบูชาสิ่งอื่นจากผู้สร้างเนี่ย ม, ม, มันไม่เป็นเหตุเป็นผลเลย และในเมื่อเขายอมรับในการสร้างของอัลลอฮฺสุภานอูตะแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมเชื่อในความสามารถของอัลลอในการสร้างอีกรอบหนึ่งก็คือการฟื้นคืนชีพในบรโลกเพราะถ้าหากว่ายอมรับแล้วนะไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธท่านนาบีเพราะท่านนาบีเนี่ยต้องการให้เขาเชื่อเขาเชื่ออัลลอฮอยู่แล้ว แต่การนี้จะเชื่อว่ามีปโรโลกแล้อัลลอฮ์จะฟืน้นคืนที่ทั้งหมดแล้วก็จะกลับไปยังอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะตัดสินคนที่เชื่อเข้าสวรรค์นคนที่ปฏิเสธเข้านรกนี่นะจบเลกจบข่าวนี้ไปไปไม่ได้เขาจึงยืนยันปฏิเสธปฏิเสธปโรโลกและปฏิเสธการสร้างในวันปโรโลกจึง มาเยอะเย้นท่านนาบีที่ท่านนาบีบอกว่าถ้าตายแล้วนี่เราจะฟื้นคืนชีพส่วนที่สลายไปจากตัวเราเนในดินนะ่ะหรือในอวากาศหรือในน้ำเนี่ยทั้งหลายแม้ว่าจะถูกฝังจะถูกเผาทิ้งในทะเลทรายมหาสมุทรปากินไปทุกชิน้นไม่เหลือชิ้นเดแต่ทุกส่วน ที่สลายไปในอากาศเนี่ยอัลลอฮ์จดจำว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเรียกชิ้นส่วนนั้นมาอัลลอฮ์จึงจึงบอกว่าซุ่มมายูรีดูแล้วพระองค์จะทรงให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ทั้งของความหมายกุรอ่านนักเรียนกับอัับเล่มนี้แล้วก็ของอาจารย์ดีเรกแล้วก็เล่มอื่นด้วยเขาก็จะใช้คำเนี้ย แล้วพระองค์ก็ทรงให้มันบังเกิดอีกครั้งหนึ่งคำว่าบังเกิดอีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคนส่วนมากก็เชื่อแบบนั้นแต่นี่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องสร้างครั้งแรกเนี่ยอันเนี้ยสร้างใหม่ก็หมายถึงว่าไม่มีวัตถุดิบแต่สร้างครั้งที่สองนี่ก็หมายถึงว่าฟื้นคืนชีพเนี่ยนะฟื้นคืนชีพเนี่ยที่ที่ที่จะให้ ขึ้นมาใหม่อีกทีนึ่งนะอันนี้ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างใหม่นะพอเราใช้คําว่ายู่ีดูยู่ีดูไปว่าคืนกลับมาอันนี้นี่คือคําที่เหมาะที่สุดไม่ใช่บังเกิดขึ้นมาคือคําว่าบังเกิดี่หมายถึงว่าสร้างใหม่ไม่ใช่เอามาดึงขึ้นัึงเสือลฟาอิดเนี่ยอธิมาัตนี้ลังเอียดละเียดละเอียดแล้วบอกว่าอัลมาดูการฟื้นคืนชีพ ที่คุรานพูดถึงเนี่ยก็คือการฟื้นคืนชีพจากวัตถุดิบเดิมแค่คือชิ้นส่วนเดิมของเราที่เป็นที่มันสลายเป็นอนุมูลเป็นเป็นชิ้นเสี่ยวเล็กๆที่มองไม่เห็นที่สลายไปในอวากาศสลายไปในดินสลายไปในจักรวาลอัลลอจะเรีย คืนมายื่นอ้อิงหนึ่งในชื่อของันแกยมานี่อัลมาฮัดอัลมาดนี่ก็คือคืนกลับถึง a l l a เริ่มอายานี้บอกว่าอิละฮิมารจิกุมการกลับกลับไปหา a l l a หากเราตายแล้วสลายแล้วไม่มีชิ้นดีแล้วไม่มีชิ้นสวยแล้วแล้ว a l l a จะสร้างมาใหม่เนี่ย นั่นจะเป็นการกลับหัหยไม่เป็นการเกิดใหม่ดิเป็นการเกิดใหม่ไม่ใช่การกลับกลับนี่หมายถึงว่าเรามีแล้วเรามีอยู่แล้วแล้วเราจะเรียกกลับซึ่งในกุอ า, านี่เราบอากว่าการกลับเนี่ยอหวนวลละเอง่ายกว่าการสร้างครั้งแรกก็จริงถ้าว่าการสร้างครั้งที่สองเนี่ยเหมือนการสร้างครั้งแรกนลนะ มันก็จะไม่ง่ายกว่าสิแต่เราบอกว่าหัวหัวหัวน้อะไรการฟื้นคืนชีพเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะมันมีสินส่วนแต่การสร้างครั้งแรกเนี่ยเนี่ยบังเกิดครั้งแรกเนี่ยอันเนี้ยมหัศจรรย์กว่าซึ่งกุรานก็เถียงพวกมุสลิมีนว่าชไหนเลยเชื่อว่าอัลลอฮ์ในเป็นผู้สร้างเริ่มสร้างอะนะซึ่งมันยากกว่าแต่ไม่ยอมเชื่อว่าอัลลอฮ์สามารถที่จะฟื้นคืนชีพ ซึ่งมันง่ายกว่าทําไมอ่ะจะต้องเรียกกลับไปหาอัลลอฮ์ทาไมเบ้าะสมก็คือตอบทแทนเลียจเซียละดีนะมโนอาเมลสโอลิฮะติบิลกิสต์เพื่อทรงตอบทแทนบรรดาผูา้ศรัทธาและผู้ประกอบความดีนี่ไงศรัทธาแล้ต้องประกอบความดีโดยเที่ยงธรรมบิลกิสตีโดยเที่ยงธรรมมีบางคนอาจจะบอกว่า เอาถ้าอัลลอ์ได้ตัดสินเราด้วยความยุติธรรมเนี่ยเราจะไม่แย่หรือปะไรพระ่านเบบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้บอกกับชวอันซ์บาฮ์บุคฮาริลมุสลิมไม่ะเข้ลอาฮัดุคุมุลจันนตาบิอัมเลีคนหนึ่งคนในห่งมุฟุกตันนี่จะไม่เข้าสวรรค์ด้วยอามัลของตัวเอง เขาล้วนละอันเถอะสุลและแม้กระทังตัวท่านท่านด้วยนะท่านนบีด้วยนะก็ล้วนละอันแม้กระทังฉันเองการงานของฉันเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทําให้ฉันได้เข้าสวรรค์อิลลั่ออันยาตะกัมมัดอันิลลาฮูบิรุห์มันเว้นแต่ a l l a จะเมตตาฉันต่างหาแสดงว่า a l l a จะตอบแทนเราด้วยความเมตตาไม่ใช่ความยุติธรรมเพราะถ้าความยุติธรรมนะหมายถึงว่าเอา เอาแบบแฟแฟเลยนะมีความผิดมีความชั่วใครไหนนี่ก็นั่นนะนะมีมีสวยมีสวยแน่นอนแค่นึกภาพนะเคยเล่าเรื่องนี้แหละข้างว่วพวกเรานี่ยิ่งถ้าอัลไม่เมตตาเราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในโลกดุนยานี่นีมีสวยนะเชวอารอฟใครชาวอารอฟก็ฟคือคนดี คะแนนความดีกับความชั่วนี่นะเท่ากันเป๊ะเลยเป๊ะเลยมาช่างตาช่างเนี่ยอ้าวช่างความดีละหมาดอัลบาดาเลยช่งคะแนนนะหนึ่งล้านคะแนนมาช่างความชั่วหนึ่งล้านอันนี้นี่คะแนนนะแต่พอไปดูข้อเท็จจริงเนี่ยไอคะแนนความดีเนี่ยของเราเนี่ยมันถูกนับเพียงทวีคูณ แต่คะแนนความชั่วเนี่ยมันถูกนับตามตัวไม่เทวิคุณแสดงว่าชาวอาราบเนี่ยจะเรียกว่าคะแนนความดีกับคะแนนความชั่วนี่มันเท่าเทียมกันกตจริงแต่ถือว่าเท่าตามความยุติธรรมนะความชั่วมากกว่าหรือความดีมากกว่าความชั่วมากกว่าแน่นอนเอา้าถ้าความดีมากกว่าความชั่วเพียงหนึ่งคะแนนนะเข้าสวรรค์ อันนี้อกีดได้ของอัลสนาวลแจมาเลยนะวันเกียมานี่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดในการสรุปนะเพราะเราจะผ่านหลายขั้นตอนในวันเกียรมาจะมีนําเสนอการงานแล้วก็ถูกสอบสวนเราจะสอบสวนจะสอบถามและรละยก็มาช่างเรามาชั่งแล้วถ้าคะแนนความดี มากกว่าคะแนนความชั่วเพียงหนึ่งคะแนนน่ะนะนั่นหมายเป็นอนุพันธ์ขาวสวัสด์ถ้าเท่ากันน่ะนะเอาไ ป, ไ, ปไปจอดอยู่ อ, อรอรอก่อนจะรอเมื่อไหร่กี่ปีกี่พันปีก็ไม่รู้ถ้าคะแนนความชั่วมากกว่านะอันนี้ก็เช่นเดียวกันตามหลักการเนี่ยก็ต้องเข้านรุบนอกจากว่า มีชฟาจะมาช่วยหรือเราจะไม่ต่าเท่านั้นถึงจะรอดนั่นหมายรวมว่าคะแนนความดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณชี้ชัดเสมอว่าถ้าคะแนนความดีมากกว่าแสดงว่าเราทำความดีมากกว่าความชั่วไม่เสมอไป เราจึงต้องการความช่วยเหลือความเมตตาจากเราจะเข้าสวรรค์นี่ก็ต้องมีมีความเมตตาจากเราเป็นตัวช่วยเอาที่ น, นี้อายะเนี่ยอัลลอฮฺ Allah บอกว่าจะตอบแทนคนที่ศรัทธาและประกอบความดีโดยเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมเนี่ยมีสองความหมายเที่ยงธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่าทั้งสองด้านด้านความดีจะไม่ถูก ลดไม่ไม่พร่องในการบันทึกเรื่องความชั่วจะไม่ถูกเพิ่มคะแนนอันนี้คือยุติธรรมก็คือได้แค่ไหนก็แค่นั้นทั้งสอ ง, สองด้านและมีความหมายหนึ่งด้วยความยุติธรรมนี่ก็หมายถึงว่าในเรื่องเฉพาะในเรื่องความชั่วในเรื่องความชั่ว จะไม่ถูกนับซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้ทำนี่อันนี้คือความยุติธรรมนี่คือความยุติธรรมส่วนเรื่องความดีนี่อัลลอฮจะไม่ใช้ความยุติธรรมตรงนี้จะใช้ความเมตตาอยู่แล้วหนึ่งคะแนนเท่ากับสิบ ตั้งใจทำความดีตั้งใจทำความดีแล้วไม่ไทำนับนับด้วยตั้งใจทำความชัว่วและเลือกไม่ทำความชัว่วนับเป็นคะแนนความดีทั้งนั้นนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอนึกเฉยเยว่าเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววางแผนกันแล้วว่าจะทำความชัว่วแล้วก็อยู่นี้มันไม่เอาแล้วะาเลยด้ความดี อ้ น, นี่มันเมตตาตั้งแต่เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราเมตตาแล้วเราแล้วแต่เรื่องความชั่วและนี่คือสอดคล้องกับหลักการใหญ่ในกุรานลาเดซิรูวาซิรตุนฮซโรอัคระไม่มีใครจะแบกความชั่วหรือบาปของคนอื่นที่ตัวเองไม่ได้ทําแม่งันถ้าถ้าอันนี้หมายถึงว่าถ้าจะให้อลลอฮฺะจะให้คนอื่นแบกความชั่วของคนอื่นนะนะอันนี้เนะี่ยมีซวยมึงกัน ไงพ่อแม่ลูกทำความชั่วเนี่ยพ่อแม่แล้วลูกก็ไปทำความชั่วนับดิเอาขนาดว่าพ่อแม่นี่ถ้าลูกทำความดีพ่อแม่ก็ได้นี่ไงความเมตตาเนี่ความเมตตาพ่อแม่ลูกทำความดีลูกทำความดีพ่อแม่ไม่ได้มีส่วนรว่วมนะแต่ลูกทำความดีพ่อแม่ได้นะ ส่วนได้คนงามของของของลูกเนี่ยพ่อแม่นี่มีส่วนได้แต่ความชั่วของลูกอะนะพ่อแม่ไม่มีส่วนไม่มีส่วนรับพระผิดชอบอันนี้นี่คือความยุติธรรมวันละดีนาเกฟารุส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธทานั้นพวกเขาจะได้รับเครื่องดื่มที่ร้อนจัดฮามีมเนี่ยเหล่ามชาราบุมินฮามีมินนายกูอ่านอัี้ถูกหรือเ หลายครั้งสี่ห้าครั้งเรื่องน้ำร้อนเนี่ยดื่มน้ำร้อนแต่ฮามีมเนี่ยเป็นที่รู้กันนะฮามิมเนี่ยแปลว่าน้ำร้อนจัดอับเขาจะรู้กันนะว่าร้อนจัดนี่หมายถึงว่าน้ำที่ต้องมีร้อนที่มีควันควันนี่ก็คือเดือดมาแล้วถ้าน้ำร้อนแล้วก็ไม่มีควันเขาไม่ได้ก่าฮามิม เอาแล้วทำไมเพราะเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยเพราะอาหรับเนี่ยตั้งแต่สมัยมโบราณ น, น่ะ น, นะเขารู้จักเซาวนาสซาวนานี้ก็คือเข้าห้องที่มีน้ำร้อนเดือดอยู่แล้วก็อาบควันน้ำร้อนจะมีในวังในบ้านของตัวเองหรือจะมีห้องน้ำสาธารณะเนี่ยที่มีน้ำร้อนจัดแล้วก็มีควันนี่นะ อันเนี้ยอารับทั้งหมดแล้วก็มุสลิมที่หลังเนี่ยเขามาตั้งชื่อห้องที่มีน้ำร้อนแบบเนี้ยที่ใช้เซาวนาแบบเนี้ยเขาเรียกกันฮัมมามเป็นชื่อที่แบบว่าคุ้นเคยกันจนกระทั่งคนรุ่นหลังเนี่ยห้องน้ำทุกห้องน้ำเนี่ยไปดูในทั่วโลอกอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าฮัมมามห้องน้ำานี่ยเขาเรียกว่าฮัมมาม ห้ามา ม, มนี่ไม่ได้มาจากห้องนา้าห้องน้ำนะไม่ใช่นะ <laughs> ห้ามา ม, มนี่มาจากห้มิมนี่นีห้มิมคือห้องที่มีน้ําร้อนที่เรียกกันว่าเซาวนานเนี่ยเขามีมาไหนตาไหนแล้วพราะนั้นถ้าแบบว่าใครที่เขาก่อสร้างแล้วก็มีความรู้หน่อยเนี่ยเขาก็จะไมไ่ไม่ใช่คำว่าห้า ม, มามเขาจะเดารถเมียครห้องน้ําห้องที่มีนม้ํำ ฉะนั้นฮามีมหามีมคือน้ำร้อนจัดนะในมนุภาพของอาหรับในเวลาเขาได้ยินคำว่าลวอุมชะราบุนเขามีเครื่องดื่มเป็นน้ำร้อนจัดขอให้เราอยู่ในขั้วโลกเหนือนะแล้วก็ต้มซุปมาแบบร้อนจัดๆนี่ก็ยังองศาเดือดนะนั่นเดือดแล้วใช่ปะ ดื่มได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่ขั้วลูกเหนือนะองศานี่ตักเออศูนย์น้ำแข็งนะ่ะแต่จะกินน้ํามันน้าร้อนเนี้ยก็ยังกินไม่ได้ต้องต้องเป่าต้องต้องรอให้มันนิดนึงสักเจ็ดสิบองศาหรออะไรเงี้ยยังพอได้บางคนบางคนไม่ไหวเหมือนกันนะเจ็ดสิบหกสิบองศาก็ไม่ไห ว, นนะไไหวเราก็รู้ไงว่าน้ําน้ํา น้ำร้อนแนละ้ถ้ามันยังมีควันอยู่เนี่ยซดสดได้ไหมซดได้ไหมยังยังไม่ได้แล้ววันเกียร์มาในนรกนี่นะพอมาเลย์กาที่เป็นยามนารกเนี่ยเวลาเขาจะให้เราดื่มเอาอะไรเวลาจะให้ชาวนารกเนี่ยได้ดื่มน้ำร้อนจัดแบบนี้นี่นะไม่มีนะที่จะบอกว่าเอาคอซดได้ไหมไม่ใช่าะเครื่องดื่มเนี่ย ในคุรานออีกายหนึ่งยาตาจะเราูก็คือเกลื้นไม่สดนะมันจะสดน้ําชาสดซุปะรเอาช้อนสดนะทีละนิดทีละไหนมันจะบว่าจะผ่านมันอาจจะเย็นไม่เกลื้นจึงเป็นที่เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่สามารถจินตนาการได้ถึงความทุกข์ทรมานเจ็บแสบเจ็บปวดที่สุดพอที่จะนึกภาพได้เพราะ เป็นเรื่องที่เห็นกันทุกวันก็คือเรื่องน้ำร้อนนะที่มนุษย์นี่เขาเห็นกันทุกวันแต่ส่วนอาซาบการลงโทษอย่างอื่นในนรกเนี่ยที่อาจจะไม่มีอะอย่างเช่นเอาไฟเนะี่ยไฟไฟมันเราไม่เคยเห็นนะถึงจะมีแบบว่าบางยุคเนี่ยที่เขาเอาคนมาเผาเป็นๆในนก็าเราเคยได้ยินนะเคยเห็นมไม่เคยอาจจะเคยเห็นนะถ้าเจอในชีวิตเนี่ย ไฟไหม้ที่หนึ่งแล้วก็มีคนอยู่ในถ้ามีนะ เ, เห็นเขาเผาในไฟไหม้อย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมอง เ, อเห็นไม่ชัดนะไม่ชัดแต่โดนน้าเดือดอย่างเงี้ยเป็นบ่อยไหมบ่อยคนที่ดื่มร้อนจัดแล้วก็พองในปากพองโดนบ่อยไหมโดนบ่อยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเหลือเกินที่พอจะจินตนาการได้ จึงเอามาเป็นอุทาหรณ์เตือนมนุษย์ทั้งหลายและหุมชราบุมมินฮามีมแค่เครื่องดื่มของเขาเนี่ยคือน้ำร้อนจัดๆแบบเนี้ยฮามีมวาซาบุอัลีมและยังยังมีการลงโทษที่เจ็บแสบที่เจ็บปวดนะซึ่งอันนี้กว้างอละการลงโทษที่เจบนี้กว้างมากเพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมสถาบิมาแกนุยักฟุร ตอบแทนผู้ศรัทธาที่ประกอบคุณงาความดีบิลกิสติด้วยความยุติธรรมไม่ได้ไมไ่เอ่ยเรื่องการตอบแทนในสวรรค์หรืออะไรที่มันเป็นความสุขอันเป็นตัวอย่างแต่พอจะตอบแทนผู้ปฏิสทถาบิมากา้อาอียกฟูรูนเพราะพวกเขาได้ปฏิเสธไม่ยอมรับศรัทธาเนี่ยเอาละเดี๋ยบอกว่าการลงโทษของเขาเนี่ยคือ เครื่องดื่มที่ร้อนจัดและการลงโทษที่เจ็บแสบก็แสดงว่าในบางครั้งเนี่ยกุตตานะรัศมานาวาดาลต้องการที่จะให้ข้อเตือนของการลงโทษเนี่ยเกิดความสำนึกมากกว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะให้ความหวังในความเมตตาของร้อนนี่มีมากกว่าซึ่งถ้าเราได้ติดตามในกุอ่านเนี่ย การทําความดีศรัทธาและกการยกตัวอย่างความดีอะไรบางอย่างพอทิ้งท้ายเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องการตอบแทนนะเราก็จะพูดถึงการตอบแทนตัวอย่างการตอบแทนที่ดีงามอย่างเช่นในชั้นอัลลอฮฺมานมีหลายตัวอย่างนะแล้วก็การลงโทษเนี่ยเราก็จะแวะนิดหนึ่งแตะนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะกําลังเน้นถึงเรื่องการตอบแทนคนที่กำลังทําความดีเราอยากจะ ให้กำลังใจเขาแต่นี่กำลังพูดถึงประเด็นหลักที่มันเป็นจุดยืนของพวกเขาเนี่ที่เขาไม่ยอมรับในคุอตานแล้วก็ยังจะมาปฏิเสธปรโลกปฏิเสธดวนเกียรมะปฏิเสธเดชานุภาพของอัลลอ์ซึ่งมันกาลังเป็นเรื่องมันกำลังเป็นเรื่องที่ต้องเตือนเตือนอย่างรุนแรงยืยนยันในเดชาอนุภาพของอัลลอ์ในการฟื้นคืนชีพ และอยากจะเตือนนะว่าคนที่เขาไม่เชื่อในเรื่องนี้คนที่เขามีจุดยืนปฏิเสธคุรานที่เอาล็อพูดถึงประโลกเนี่ยถ้าเขาจะห่างออกจากพวกนี้และศรัทธาและประกอบคนทความดีไม่ต้องกลัวเขาจะไม่รับความอธรรมแต่สำหรับคนที่ปฏิเสธแล้วก็มีนี้นะ มันไม่มีโอกาสที่จะโอ้เดี๋วจะคนที่ศรัทธาเดี๋ยวจะตอบแทนอย่างดีเน่ยคือตรงนี้เนี่ยต้องขู่ต้องเน้นเรื่องขู่มากกว่าซึ่งเรื่องนี้ในในด้านจิตวิทยาเนี่ย่ยหมายถึงว่าการที่เราจะให้ความหวังหรือคมขู่และก็เตือนอย่างรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่สถานการณ์มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเอ่อแนวทาง ที่มีความสม่ำเสมอแต่โดยรวมอ่ะโดยรวมอ่ะคุรุอ่านเนี่ยจะให้การเน้นในเรื่องความหวังของการตอบแทนอันดีงามนี่มากกว่าถ้าเราคํานวณในคุรุอ่านน่นนะเรื่องเรื่องสวรรค์เรื่องอันนี้จะมีมากกว่าที่มีพูดถึงเรื่องสวรรค์การตอบแทนออกรือนงนี้มากกว่าแต่ในโกนี่มีไหมมีฉะนั้น แนวทางที่ถูกต้องนี่ก็คือที่บรรดานาบีุลลาฮ์และรสูลเขาทำกันก็คือไม่ละเว้นความหวังในความเมตตาจากอัลลอ์แล้วจะไม่บังอาจลืมละเลยการตักเตือนในเรื่องการลงโทษทำความดีเพราะหวังในความเมตตาสวรรค์ของอัลลอ์ ทำความดีเพราะเกรงกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษอัลลอฮ์ได้พูดถึงบรรดาน ب ي รัสูลเนี่ยท่านนบีอิบราฮิมแล้วกลูกๆที่เป็นบรรดาน ب ي รัสูลทั้งหลายในสุรัตอัลอัมบียะสุรัตบรรดา ن บ ي รัสูลสันเซิญบรรดาน ب ي เนี่ยก็ทําอะไรอินนุมแกนูยูซาริ عون ฟิลขอยรอตขจรีบร่งทําความดีขอยรอตคุณไหมชื่อนี่ยค่อยรอตชื่อมัสิด ใครก็ได้นมัสยิด خ, خ, خ ي ยรอด ي, ا ا ي, ا ي ر, ي ر, ي ر, ي ر ي ش ش ا ت เบวะเลยเอกะฟุนี خ ي ยพระอุปนิ خ ยรอดความดีทั้งหลายอินน้ฮุงกันอุยซาล่าเขาจะรีบร่งยุซาูนรีบร่งไม่ชักช้าไม่ลังเลพรามีขอเชิญชวนนำความดีดูดูขอดูก่อนขอคิดก่อนรีบยุซาูนะฟิล خ ยรอด แหวดูนันะละก็วอนดูอาขอรักบันหวังในความรักบันมีความหวังในความเมตตาวังวรักบันและมีความเกรงกลัวเกรงกลัวอะไรการลงโทษเขามีทั้งสองพอเราฟังนี่ไแสดงว่าเอาเราต้องการใ ห, ให้เรานี่มีทั้งสองบุคลิกเนี่ยบุคลิกที่หวังในความเมตตาแล้วก็ บ, บุคลิกที่กลัวแต่เราจะไม่ใช่ สองบุคลิกในเวลาเดียวกันไม่งั้นนะั่นเป็นโรคจิตใช่ไสองบุคลิกนี่ตแต่เวลามีเหตุผลจะใช้บุคลิกแห่งความหวังเนี่ยก็จะใช้ไปถ้ารู้จะจะเริ่มรู้สึกสิ้นหวังละจะทอ้อละทั้งทั้งที่เราก็ทำความดีแล้วก็มีมาคนเออมีบางคนเนี่ยรู้สึกความรู้สึกสิ้นหวัง อันนี้ก็ต้องเอาเอาเรื่องความหวังนี่มากระตุน้นแต่เวลาละเลยบกพร่องทำความชั่วทำบาปอันนี้ต้องเอานรกมาขู่ใช้บุคลิกนี่แต่เวลามาค้นแนะนำคุณบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยเหมาะสำหรับเขาเนี่ยคือการการใช้นรกนรกคมขู่มากกว่าเพราะอะไรเพราะคนโดยส่วนมากนะ เป็นคนขี้ลืมลืมอะไรลืมตัวลืมหน้าที่ลืมทําหน้าที่ความกลัวอย่างเดียวความระมัดระวังอย่างเดียวที่จะทําให้เขาไม่ลืมถ้าเราเป็นประเภทนั้นเป็นคนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเป็นคนเรื่องละหมาดนี่ก็งั้นอย่างนั้นอ่านเอาเรื่องเอาเรื่องนรกเอาเรื่องลงโทษเนี่ยมามาเตือนใจ มีผลมีผลดีมากเลยแล้วมาจงบอกว่าความหวังนี่ควรใช้อย่างยิ่งสำหรับคนที่ใกล้จะตายเพราะคนที่ใกล้จะตายเนี่ยความกลัวไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับเขาแล้วที่จะให้ทำความดีมั น, ม, นมันหมดมันหมดเวลาแล้วแลวเขาอยู่ในสภาพที่กลัวอยู่แล้วเพราะกาลังจะตายอ่ะไม่รู้จะไปไหนเนี่ยจะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้เขากลัวอยู่แล้ว สมควรที่จะให้ความหวังถ้าเขาได้ทำความดีก็บอกเขาเออท่านก็ทำความดีมาเยอะนะท่านทาอย่างนี้อันนี้จะพูดได้ตอนเนี้แต่ที่ตอนมีชีวิตชีวายังยัง่มยังไฟแรงยังยังมีชีวิตชีวา ย, ย่างเงี้ยโอ้ยท่านดีแล้วเนี่ยท่านเอย่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเดี๋ยวไม่ทำต่อแต่คนที่ใกล้ตายเนี่ยออมีผลงานอะไรดีนะ่นะบอกเขาได้นะสุนนา้บอก ท่นมีความดีเยอะนะท่านเหยียดสิ้นหวังนะอะ้วจะไม่มีความดีเลยอะ่ะมาเจอกับคนใกล้าตายประเภทที่ชีวิตเขานี่เอีแบบ้ยงเลยให้ความหวังยังไงอะ่ะในความเมตตาของลอเดี๋ยวท่านจะไปพบพระเจ้าผู้ทรงเมตตานะไม่ต้องกลัวนะพระเจ้าของเรานี่เป็นผู้เมตตานะให้ความหวังเหมือนกันไม่ใช่ว่าเตรียมตัวได้เลย มึงเอยทั้งชีวิตเนี่ยคนทั้งโลกเนี่เดือดร้อนเพราะมึงนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอแน่ <c oughs> บางคนเนี่ยไปอาจจะไม่ได้พูดแต่ใจจะพูดมันไสตอนนี้มากเลยไม่ได้แม้ว่าเป็นคนที่เราไม่ชอบถ้าเราจะให้อภัยเขาถ้าเรามีอะไรส่วนอะไรได้ยังอภัยเขาเนี่ยก็ดูอาให้เขาให้ความหวังดีกว่าไม่แน่นะครับ การให้ความหวังนี้อาจจะทำให้เขาเนี่ยพูดอะไรก่อนก่อนเสียชีวิตอันเป็นทานทางรอดสำหรับเขาก็ได้ท่านกำลังจะพบไปพบพระเจ้าที่มีความเมตตาไพศาลกว้างขวางจริงเหรอลอจริงๆด้วยนะอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลล์อลฮอลลัลลอฮพอเริ่มพูดถึงอัลลอ์นี่เขาก็อาจจะเทาัตรตัวก็ได้ เก่าแลาวอีเลออิล ะ, ล, ะละก่อนตายก็ได้ก่อนแรกเนี่ย <c oughs> เตรียมไว้แล้วเนี่ยจะพูดถึงอายาที่ห้านี่เพราะเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เรื่องโคโจรเรื่องตำแหน่งของมันแล้วก็เตรียมข้อมูลด้านดาราศาสตร์ไว้เยอะแต่เวลาไม่พอนะครับจึงต้องถ้ารอให้เราได้มีชีวิตต่อไปนะ อาทิตย์หน้าก็ยกยอดไว้อธิบายกันอาทิตย์หน้านะครับมีคําถามไหมการที่เราได้ได้ทําบาปครับไม่ว่าจะเป็นบาปบาปใหญ่ๆครับ ห, หรือว่าเรามีส่วนหนึ่งของคนปฏิเสธารราไม่ทาบาปเฉยๆนะนอกจากว่าบาปนั้นนั้นนะ่ะมันมีเชื้อของการปฏิเสธเช่น บางอาจไปทําบาปเพราะขาดความเชื่อที่บริบูรณ์ในการลงโทษของบาปนั้นนั้นมันก็อาจจะมีการแต่ไม่นี้มันไม่ได้เป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงไงซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปเมียก็บอกในตัวมุสลินเนี่ยอาจจะมีเรื่องกุฟอรมีเรื่องปฏิเสธอาจจะมีเรื่องชิริกมีเรื่องการดังบากี แต่ชีริกลักอูฟประเทบีไม่ทําไม่รู้วันนี้ออกจากศาสนาอัลลอฮ์บอกวนนกูรันอินนัลอินซานะถ้าจิงอินซานมนุษย์ทุกคนนี่นะละวาลูมุนกาฟาร์ช่างผู้อรรมผู้ปฏิเสธเสียนี่กระไรกฟาร์ไปงว่าปฏิเสธนะบ่อยอลมาได้บอกว่ากุฟรานุเนยมัคือปฏิเสธ ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺยังก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือเชื่อื่อของของการปฏิเสธโอลามาบางท่านบอกว่าบาปทุกชนิดเนี่ยย่อมมาจากส่วนหนึ่งของการปฏิเสธแต่มันแต่มันไม่ถึงปฏิเสธขั้นตุกสนามันชีริกะนาก็มีชีริกใหญ่ชีริกเล็กการการอนที่เป็นภาษาหัย่าศัยพ่อแม่ครับั้นเรา โอมากับพ่อแม่เป็นพ่อแม่เลี้ยงไม่ได้เป็นบทที่ให้คนในเราครับการดูอานั้นจะเป็นการให้กับเราเจตนาอะไรอยูตอ่ตัวตาม เ, เออจตนาถึงแม้ว่าเราจะใช้คําว่าพ่อแม่เพราะเราเรียกเขาว่าคนที่เลี้ยงเราก็เรียกเขาพ่อแม่ใช่ไหมแต่ตอนดูอานี่เราเจตนาอะไรถ้าเราเจตนาทั้งสองนี่ก็ได้ทั้งสองถ้าเราเจตนาเฉพาะคนที่เลี้ยงเนี่ยก็ได้เฉพาะคนที่เลี้ยงแต่ไม่ควร ไม่ควรได้จอดจงถ้าพ่อแม่พ่อแม่จริงเนี่ยเป็นผู้สตาที่เคาะด้วยเขาได้ถึงแม้ว่าเขาบกพร่องหรือเป็นคนทำบาปเยอะอะไรก็ยังต้องเคาะด้วยเขาเช่นเดียวกันนะครับแต่าจุนเนี่ยนอัลล์บอกในกุรอานลยว่าเรับิลติกว่าเาจ้าฟิดบีฮาวัะบนันเสลิกะลยงดริงังมาก เลย่ยอ่านเสียงค่อยมากให้อยู่ระหว่างสองสองตำแหน่งทั้งนี้เสียงเนี่ยในละหมาดสุนนะในทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งในฟอรดูน่ะการออกเสียงเนี่ยไม่ใช่วายิบไม่ใช่วะยิบถ้าเราเลือกจะอ่านเสียงค่อยเสียงเบาเนี่ยก็ไม่ไม่ผิดสามารถทำใละหมาดเกียร์มุดเลี้ยงเหลี่ยงตาจุนเนี่ยอ่านเสียงก็ได้ อิหมามอ่านคนเดียวละหมาดคนเดียวอ่านเสียงค่อยไม่อ่านเสียงดังได้แต่ถ้าเป็นอิหมามแล้วก็มีมะมูมเนี่ยไม่ได้ต้องอ่านเสียงดังเช่นับทุคคลในวันเยาว์มาที่เชียวใหม่มีความดีต้องการความช่วยเหลือุละมาได้ได้อธิบายเราะว่าจํำลอนที่บุกคนเราเนี่ยจะมีในวันเยาว์มาเนี่ยเจอเจอเยอะมากเว่ามีขนาดเพราะว่าเท่าที่ว่า ชีวิลอรบเนี่ยกาเียความพ่วอเราครู้สึกว่ามีน้อยโอกาสน้อยมากที่จะับทบกันคือจำนวนชาวอารอร์รบเนี่ยไม่เยอะอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะมองถึงสัดส่วนของมนุษยชาติทั้งหลายโอกาสที่จะมีจำนวนไม่น้อยนะก็มีถึงแม้วเวลาจะช่างเนี่ยโอ้โหนี่กว่าจะมาเป๊ะสักคนหนึ่งอะนะกว่าจะมาเป๊ะนะอาจจะน้อยก็จริงแต่ลองดูสิ ตั้งแต่นบีอาดัมจนมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยโอกาสที่จะมีคนที न, ่เป๊ะมีไหมก็มีแต่แน่นอนชาวอารอบนี่น้อยกว่าชาวมนและก็น้อยกว่าชาวสวรรค์อันนี้อย่างแน่นอนชาวอารอบอารที่เป๊ะๆน่อนมนุษย์จะกเขึ้นับ็ตาทัทั้งอย่างก็อนเกียร์มากเกิดขึ้นแล้วทุกทุกสิ่งทุกอย่างตายไปหมดแล้วอะไรนี่คือ คำว่างบป่าแปลว่าอะไรไ ก, ก, ก็ถูกทำลายหมดคุณรู้ไมนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะพินาศหมดรวมถึงบรรดามลาก้าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่แม้กระทั่งมลลกุลมมาตเนี่ก็จะตายหมดก็บอกแล้วไงคนที่ตายเนี่ย ก็จะไม่หายตัวไปไหนไงตัววัตถุดิบของเขานี่ยยังอยู่นะอนุมูลของเขานี่ยังอยู่นะสำหรับคนที่ตายไปตั้งแต่ดึกดําบันเนี่ยแน่นอนอลายไปอยู่ไหนก็อัลลอฮ์ทรงรู้เท่านั้นแต่สมมติว่ามาละกันท่านสุดท้ายเนี่ยที่จะอัลลอ์จะยื่นเนี่ยคือมาละกุลเมาต์มาลุลเมา์ เราจะเรียกมลคุว่าหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้พอมลคุลเมาจะเป็นผู้ดำเนินการยึดวิญญาณชีวิตทุกชีวิตไนีจนเหลือมลคุณเมาอัลลอฮจะยึดวิญญาณมาลคุณเพอยจะไม่มีอะไรที่มีชีวิตอื่นจากอัลลอฮเท่านั้นและตอนนั้นนาทีอั Allah ลลอฮฺรีมานิลม o ล l k u l i มาณนะตอนนี้เนี่ยพระอำนาจของใครก็ไม่มีใครจะตอบ เพราะอะไรเพราะไม่มีใครมีชีวิตอัลลอฮฺจะตอบด้วยพระองค์ท่านต่อคําถามของพระองค์ท่านเองลิลแลฮิลัวฮิดิลกฮาร์พระอัมนาจณวันนี้สําหรับ Allah. อัลลอฮฺอัลวะฮิบูทรงก์อิคัลกฮาร์บูซุงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างก็หมายถึงว่าอามะละกุนเมานี่พอยิดวิญญานี่ก็หมายถึงมายถึงว่าหายออกมะเกิดมาหมายถึงว่าตรงมะตรง่ะ سبحانك اللهم بحمدك شدوا ا ل ل ه ا إلّا إنت ا ل س ت <ؤ> ا ف ر كتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد و ع ل ا ع ل وصفي و س ل م م السلام عليكم ورحمة